ลูกรักใครเข้าเตือนเราด้วยเมตตาขอให้รีบรับคําเตือนนั้นมาพิจารณาด้วยความเคารพถ้าเห็นว่าเข้าเตือนถูกก็จะได้รีบแก้ไขเสียถ้าเข้าเตือนเพราะความเข้าใจผิดก็ควรจะขอบคุณและชี้แจงให้ท่านทราบตามที่เป็นจริงความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งในมงคล38ประการ ซึ่งพ่ออาจจะพูดเรื่องนี้กับลูกโดยเฉพาะสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งสมเรนรรูปหนึ่งเห็นพระสารีบุตรอัครส า, าวกนุ่งสบงมีชายไม่เสมอกันจึงทักขึ้นพระสารีบุตรบอกให้สมเรนรหยุดอยู่ก่อนแล้วเข้าไปใกล้พุ่มไม้นุ่งสบงเสียใหม่แล้วออกมาถามสมเรนรว่าอย่างนี้เรียบร้อยหรื อ, อยังท่านอาจารย์ดูเถิด ดูปฏิปทาของท่านผู้เลือดด้วยปัญญาว่าน่าเคารพเลื่อมสายเพียงใดยิ่งเราเติบโตขึ้นยิ่งหาคนเตือนคนสอนได้ยากเราจึงต้องเตือนตนเองและอาศัยหนังสือที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้เป็นครูอาจารย์ผู้คอยตักเตือนอบรมสั่งสอนเราคนชอบอา่านหนังสือดีๆจึงเสมือนมีครูอาจารย์อยู่ใกล้มีกัลยาณมิตรคอยให้สติปัญญาอยู่เสมอ เป็นพอรอปรเสรฐอย่างหนึ่งในชีวิตเราต้องมีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้เตือนไม่โกรธท่านเราต้องมีเมตตาต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและทางใจคือจะทําจะพูดหรือจะคิดสิ่งใดก็ด้วยเมตตาไม่ทําไปด้วยแรงบันดาลของโทสะหรือความเกลียดชังเพราะนั่นจะมีผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อได้เห็นทโทษของความโกรธหรือโทสะพอสมควรแล้วให้พิจารณาคุณของขันติคือความอดทนว่าความอดทนนี้มีคุณอันบัณฑิตสรรเสริญไว้มากมายเช่นกุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญแก่ผู้มีความอดทนความอดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งมูลรากของบาป ท, ทั้งปวงความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราดเป็นตบะของผู้บําเพ็ญตบะ ผู้อดทนสามารถขุดมูลรากของเหตุร้ายทั้งหลายมีการทะเลาะวิวาทเป็นต้นความอดทนเป็นกําลังของผู้บําเพ็ญพรตเป็นสิ่งนําประโยชน์สุขมาให้ผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาบมียศและอยู่เป็นสุขเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ผู้อดทนย่อมนาประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่น ก้าวขึ้นสู่ทางแห่งสวรรค์นิพพานชื่อว่าได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่งเราต้องอดทนต่ออะไรบ้าง 1. เราต้องอดทนต่อความลำบากตรากตรํา 2. ต่อทุกขเวทนาอาพาธความเจ็บป่วย 3. ต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นต่ออารมณ์อันยั่วยวน ให้โลกโกรธหลมความอดทนอย่างที่สามนี้ท่านเรียกว่าตีติขาขันตีซึ่งพระพุทธองค์ตรัสยกย่องว่าเป็นตบะอย่างยิ่งซึ่งบาลีว่าขันตีปรมังตโปตีติขาตบะคือทําเครื่องเผากิเลสคนทั่วไปผู้ไม่มีความอดทนเป็นตบะย่อมถูกกิเลสเผา ว, วันแล้ววันเล่าวันและหลายๆครั้ง เป็นเดือนเป็นปีหลายสิบปีไม่สามารถอดทนต่อกระแสะกิเลสได้จึงเร่าร้อนเศร้าหมองแต่พอหันมาใช้ตบะเผากิเลสซะบ้างกิเลสก็เร่าร้อนอยู่ไม่ได้ผู้นั้นจึงสงบเย็นผ่องแผ้วมีความสุขเมื่อได้เห็นโทษของโทสะและเห็นคุณของขันติดังนี้แล้วใจ ย, ย่อมอ่อนโยนต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงจิตเป็นกรรมนิยะ คือมีความพร้อมที่จะเจริญเมตตาต่อไปลูกรักที่พ่อพูดมาแต่โดยย่อนี้เป็นเพียงเบื้องต้นของการเจริญเมตตาส่วนรายละเอียดนั้นมีมากเช่นเราควรแผ่เมตตาถึงใครก่อนและหลังโดยลำดับเพราะเหตุไรเมื่อเราแผ่เมตตาไปถึงคนที่เป็นศัตรูคู่เวรแล้วติดขัดแผ่ไม่ออกเกิดงุดหงิดแค้นเคืองซะก่อน เราควรจะแก้ไขอย่างไรเรื่องเหล่านี้มีมากเกินกว่าที่พ่อจะบรรจุลงในจดหมายฉบับเดียวนี้ได้ไว้โอกาสเหมาะๆค่อยคุยกันด้วยวาจาจะดีกว่าลูกจะได้ซักถามได้ด้วยการแผ่เมตตาหรือการอบรมตนให้มีเมตตากรุณานั้นตามหลักศาสนาของเราท่านว่ามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลเพราะเหตุไร พรอยู่ในขั้นภาวนาและเป็นสมถะภาวนาเป็นขั้นที่สามของบันไดาสามขั้นคือทานศีลภาวนาการใช้โยนิโสมนาสิกานและปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งปวงคือเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้นมีอา น, นิสงส์สูงกว่าเมตตาภาวนาเพราะเหตุไรเพราะอา น, นิจจสัญญาดังกล่าวนั้น อยู่ในขั้นปัญญาเป็นขั้นที่สามของบัรไดาสาขั้นคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งอันที่จริงเราก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้แต่ทําหน้าที่คนละอย่างกล่าวคือศีลให้ความสะอาดสมาธิให้ความสงบมั่นคงปัญญาให้ความสว่างแม้ทานจะเป็นสิ่งมีอ น, นิสงส์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับศีลและภาวนา หรือเทียบกับสมาธิและปัญญาก็ตามแต่เราไม่ควรดูหมิ่นทานควรให้ทานไว้เสมอตามโอกาสตามกำลังเพราะทานก็มีนิสงมากตามฐานะของตนโดยเฉพาะผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรด้วยแล้วยิ่งจำเป็นทานอำนวยผลให้เป็นผู้ไม่ขาดแคลนไม่อดอยากเป็นยาสเสน่ห์เป็นเหตุให้ได้ลาบและบริวาร ส่วนความตระหนี่เป็นยาให้คนเกลียดชังเป็นเหตุให้กำพร้าพวกพ้องผู้มีเมตตาประจำใจย่อมไม่ละเลยการให้ทานและการรักษาศีลมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องฝืนเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของจะให้ก็ให้ปียะวาจาให้กำลังใจให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นผู้เข้าใกล้ไม่ต้องระแวงว่าภัยจากไปจากเรา เมื่อเห็นคนทำดีหรือมีความสามารถพึงชมด้วยความจริงใจเป็นการให้กำลังใจแก่เขาอย่าเป็นคนติเป็นอย่างเดียวชมใครไม่เป็นการชมมีผลมากกว่าการติแต่อย่าทำโดยไม่สุจริตใจขอให้ลูกจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมตตากรุณานั้นต้องประกอบด้วยความยุติธรรมและปัญญามิฉะนั้นแล้วลูกจะกลายเป็นคนโง่ที่ใจดี ซึ่งน่าสงสารมากกว่าน่ายกย่องบูชาส่วนคนฉลาดแต่ขาดเมตตากรุณานั้นจะเป็นคนฉลาดแกมโกงซึ่งไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่คนประเภทนี้มีมากขึ้นในสังคมของเราเพราะเขาขาดการอบรมจิต ด, ด้วยเมตตานั่นเองเขาอบรมแต่วิชาความรู้อันเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบผู้อื่นอบรมศิละปะในการโฆษณา เพื่อลอกลวงให้ผู้อื่นหลงไหลในการบริโภคและในเครื่องอุปโภคอันเกินขอบเขตซึ่งมองเผินๆเหมือนเป็นการเสนอสิ่งที่ดีให้แต่มองให้ลึกลงไปจะเห็นว่ามันเป็นเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อไว้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช้สอยเศรษฐกิจในสังคมของเราปรับให้ลงตัวไม่ได้เพราะมีแต่ดีมานดีมานแล้วก็ซัปปะลายัลายอันไม่มีสิ้นสุด ไม่ได้ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือศิละปะในการลดความต้องการกันเลยเศรษฐกิจจึงไม่ได้ถูกแก้ไขในทางที่ถูกต้องจึงแก้ไม่ได้เราขาดเมตตาอันชอบธรรมต่อตอนเองและผู้อื่นใช้ชีวิตกระหืดกระหอบกระโจนไปข้างหน้าเหมือนม้าที่ลาจนหมดกำลังแต่ต้องวิ่งไปด้วยแรงแท่ของสารถีมันเป็นการทารุณและน่าสงสารเพียงไร ชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจะหาทรัพย์เท่านั้นหรือลูกจะคิดว่าพ่อจะเขียนถึงลูกได้อย่างนี้ตลอดไปอีกสักหน่อยพอแก่มากขึ้นกว่านี้หรือมีโรคเบียดเบียนจนทุกพลภาพก็คงเขียนอะไรให้ลูกอ่านไม่ได้อีกกลายเป็นคนแก่ที่อยู่รอวันตายนั่งแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นแถมสังเวชตนเองผู้ไร้ความสามารถ เป็นพารากแก่ผู้อื่นซึ่งร่างกายสังขารทั้งปวงเมื่ออยู่นานไปก็ต้องจบลงอย่างนี้เหมือนกันทุกคนตอนนี้ยังพอเขียนได้อยู่ก็เขียนไปยังพอทำอะไรได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ทำไม่ฝืนพ่อขอจบจดหมายนี้เพียงเท่านี้ขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่าได้คิดร้ายต่อผู้ใด ถ้ามีความโกรธก็จงรีบดับเสียและอย่าพยาบาทจองเวณต่อผู้ใดลาบยศและการอยู่เป็นสุขจะหลังไหลมาสู่ผู้มีขันติและเมตตาแม้เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นแต่มันก็มาเองโดยธรรมชาติเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้มันให้ร่มเงาให้อากาศดีให้ดอกให้ผลโดยธรรมชาติของมันพ่อเขียนมาถึงตรงนี้ก็หยุด ออกไปสูตรอากาศกลางแดดตอนเช้าทำกายบริหารกลางแดดหลังบ้านโดยการแกว่งแขนและกล้มตัวลงให้ปลายมือถึงปลายเท้าหันหน้าเข้ากำแพงทาบมือทั้งสองเข้ากับกำแพงยกจนสูงที่สุดทำสลับไปมาอยู่เช่นนี้ประมาณ20นาทีขณะนั้นฟังข่าวทางวิทยุไปด้วยแล้วก็มาเขียนจดหมายถึงลูกซึ่งเห็นว่า ควรจะจบได้เพียงเท่านี้ขอให้โลกมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่อ